บัรนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปเป้าหมายในการที่ส่งแสดงมาสติประฐานข้อสุดท้ายทรงใช้คำบาลีว่านิปานัสสะสัจิกิริยายะคือเพื่อกระทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน อันเป็นเป้าหมายสูงสุดในการศึกษาและในการปฏิบัติธรรมะทางพระพุทธศาสนานิพพานนั้นเป็นภาษาของใจที่จะเกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติโดยตรงตามหลักของพระธรรมคุณสองบทคือบทว่าสันทิติโกที่แปลว่าผู้บรรลุจะพึงเห็นได้เองกับข้อสุดท้ายที่ว่า ปัจตังเวดิตตโบวินยูชิอันบินยูชนพึงรู้เฉพาะตนจึงเป็นเรื่องที่อธิบายได้ยากพระผู้มีพระภาคเจ้าเองเมื่อทรงอธิบายพนิพพานก็จะทรงแสดงในลักษณะที่ปฏิเสธคือภาวะของนิพพานนั้นไม่มีสิ่งซึ่งจะเปรียบได้ในโลกนี้จึงใช้คำปฏิเสธเช่น ว, ว่า เป็นภาวะที่ไม่มีดินน้ำไม่มีลมไม่มีไฟไม่มีสิ่งต่งตางๆซึ่งโลกบัญญัติกันในโลกนี้และในที่สุดก็สรุปว่าสิ่งนั้นแหละเรียกว่นนานิพานแต่ในชั้นของการประพฤติปฏิบัติก็ทรงแสดงขั้นตอนแห่งการประพฤติปฏิบัติที่บุคคลสามารถสัมผัสได้ในระดับนั้นๆตามกำลังสติปัญญาความสามารถของแต่ละบุคคลโดยเนื้อหาและโดยนยะ ของนิพานส่วนหนึ่งจึงมีอยู่แล้วภายในจิตสํานึกของบุคคลทั้งหลายที่สามารถหยุดยั้งความคิดการกระทําและถ้อยคําที่พูดซึ่งกอบด้วยทุจริตต่างๆไปได้กอให้เกิดเป็นความสงบความเยือกเย็นขึ้นภายในจิตใจของตนนิพานจึงมักใช้คําว่าความสงบความดับความเย็นความสุข ตลอดถึงภาวะที่ปราศจากเครื่องสีดแทงหรือเครื่องร้อยรัดมีประการต่างๆอันเป็นภาวะวิสัยจิตใจของชาวโลกทั่วไปข้อปฏิบัติที่ทรงแสดงไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตรนั้นเป็นหลักปฏิบัติที่จะนําผู้ซึ่งปฏิบัติให้ตรงต่อหลักที่ทรงแสดงไว้ให้ดำเนินไปสู่จุดหมายปลายทางในชั้นนั้นๆน แต่วกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางที่สมบูรณ์จริงๆบุคคลก็สามารถสัมผัสในแต่ละจุดของความสงบความดับความเย็นหรือความปราศจากเครื่องเสียดแทงเครื่องรอ้รอยร้อยรัดเหล่านั้นนิพพานโดยรูปศัพท์ที่จึงออกมาจากคําว่านิรวา n น a ะที่แปลว่าไม่มีเครื่องร้อยรัดสิ่งอะไรก็ตามที่มีสิ่งอื่นร้อยรัดผูกมัดเอาไว้ ย่อมสูญเสียความเป็นอิสระแก่ตนเองแต่เมื่อหลุดจากเครื่องร้อยรัดเครื่องผูกมัดก็ชื่อว่าได้ประสบกับความอิสระโดยตัวเองดังนั้นเมื่อพิจารณาในชั้นของการดารงชีวิตของบุคคลทั่วไปเจนว่าความห่วงใยความยึดถือความวิตกกังวลจุดในอารมณ์ในสัตว์ในสิ่งของต่างๆมันก็กลายเป็นเครื่องร้อยรัดทางใจ ของบุคคลเหล่านั้นแม้ในชั้นของสมมติบัญญตัติบุคคลจาเป็นจะต้องผูกพันอยู่กับสิ่งเหล่านั้นแต่ถ้าหากว่าไปเอาจริงเอาจังเกินไปไปยึดมั่นเกินไปไปวิตกกังวลเกินไปก็จะเป็นการบั่นทอนสุขภาพในด้านจิตใจของตนเองข้อนี้พึ่งดูตัวอย่างว่าบางครั้งบางคราวนั้นบุคคลสามารถใช้เหตุผลและตอบคาถามของตนเอง แ, แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของตนเองได้เช่นว่าในยามที่ไปจากบ้านกระยาดพี่น้องไปบางทีก็เกิดความพิตกกังวลขึ้นไปในจิตใจห่วงใ ย, ยญาติพี่น้องห่วงใ ย, ยทรัพย์สมบัติห่วงใ ย, ยกิจการงานต่างๆเป็นต้นหนักข้าวหนักข้าวถ้าปล่อยให้ความพิจกห่วงใ ย, ยมากขึ้นมันก็อาจจะนอนไม่หลับแล้วกลายเป็นศูญย์เสียงานซึ่งจะต้องกระทําในที่นั้นด้วย แต่ถ้าหากว่าบุคคลพยายามที่จะตั้งปัญหาขึ้นมาภายในใจตามนัยยะของอริยสัจทั้ง4ี่ประกันก็จะเห็นได้ว่าความวิตกกังวลเหล่านั้นเป็นอาการคือเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นก็ถามว่าอะไรก็ตอบว่าวิตกกังวลวงใหญ่มาจากไหนมาจากใจที่ผูกพันพวงเป็นกังวลต่อบุคคลเหล่านั้นอาศัยความรักเป็นต้น เราก็ตั้งปัญหาถามต่อไปว่าเราไม่ช่วยอะไรได้เราก็จะหาคําตอบไม่ได้เพราะว่าอยู่กันคนละถิ่นอยู่ไกลกันเกินแม้จะเกิดอันตรายเข้ามาจริงๆก็ไม่สามารถจะช่วยได้ความมีตัวกังวลเหล่านั้นจึงเป็นการทําลายสุขภาพจิตของตนเองที่ไม่เกื้อกูลแก่ใครๆทั้งนั้นถ้หากว่าบุคคลสามารถดับความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นในขณะนั้นได้ ก็เป็นความสงบเป็นความเยือกเย็นเป็นความสว่างขึ้นภายในจิตก็ชื่อว่าสัมผัสนิพานได้ในชั้นหนึ่งในระดับหนึ่งซึ่งทรงใช้คําบาลีว่าถ้า ท, ทางกันนิพานหรือถ้าทางกะวิมุตได้แก่จิตหลุดพ้นด้วยองค์นั้นๆด้วยเรื่องนั้นๆด้วยกรณีนั้นๆเรื่องเหล่านี้ก็อาศัยบุคคลได้ใช้สติปัญญาเป็นตัวระลึกกําหนดพินิพิจารณาถึงสิ่งที่เกิดขึ้น มองให้ประจักษ์ชัดในอารมณ์หล่อนนั้นว่าเป็นคุณหรือเป็นโทษถ้าหากว่าไปเกี่ยวข้องไปหากว่าไปยึดไปถือข้าวถ้ามองเห็นเป็นโทษก็ระ ง, งับดับอารมณ์หล่อนนั้นไปผลดังกล่าวก็จะบังเกิดขึ้นนิพพานเหล่านี้ก็สามารถสัมผัสได้ในช่วงของอารมณ์ซึ่งบางครั้งบางคราวก็อาจจะนานพอสมควรแต่หากว่ากำลังแห่งสติปัญญาของบุคคลเกิดขึ้นสูง แต่ทีนี้การปฏิบัติตามหลักของหมาสติปัฏฐานนั้นก็คือการเพิ่มพูนสติปัญญาให้สูงขึ้นโดยลา ด, ำดำับปริมาณแห่งสติปัญญาที่สูงขึ้นนั้นเองเราจะทําทหน้าที่บรรเทาความยึดความถือความมีตกกงังวนความห่วงใจต่างๆซึ่งผู้ใช้ปัญญาจะพิจารณาเห็นได้ไปจากชัดแก่ใจในชั้นนี้ว่าการที่บุคคลเกิดความห่วงขึ้นนั้น ก็เพราะมีความหวังในสิ่งเหล่านั้นเช่นหวังว่าลูกของตนจะเป็นลูกที่ดีเชิดชูสกุลวงจะเลี้ยงดูตนในยามชราเป็นตน้นก็มีความหวงในลูกเหล่านั้นหรือว่าทรัพย์สมบัติเหล่านั้นจะอำนวยประโยชน์แก่ตนให้ความสุขแก่ตนในการดารงชีวิตก็เกิดความหวงในสิ่งเหล่านั้นเวลาหวงขึ้นมาก็เวลาไปในที่ใดก็เกิดเป็นหวง วิตกกังวลในสิ่งนั้นๆถ้าหากว่าบุคคลมีความหวงในอะไรมากเกินไปความหวงก็จะสูงแล้วความเป็นห่วงเป็นใ ย, ยก็จะสูงในขณะเดียวกันถ้าหากว่าความหวังในอารมณ์ต่างๆมันน้อยความหวงก็น้อยค ว, วอความเป็นห่วงก็น้อยชั้นนี้จึงท่านจึงสอนไว้ว่า อย่าไปหวังอะไรให้มากเกินไปเวลาจะผิดหวังก็จะน้อยลงแต่ถ้าไปหวังมากเวลาผิดหวังก็จะมากไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามในชั้นของชาวโลกทั่วไปเพิ่งเห็นว่าในกรณีของความรักระหว่างบุคคลจะเป็นพี่น้องสามีพันยาการก็ตามถ้าหากว่าไปตั้งความหวังไว้มากเวลาไม่เป็นไปตามที่ตนตั้งใจหวังไว้ ก็จะสะท้อนกลับออกมาอีกมุมหนึ่งคือเป็นความผิดหวังความโกรธแค้นความจริงชังความโทมนัดบางครั้งบางคราวก็ไปกระทำการอะไรที่รุนแรงอย่างเป็นเรื่องราวปรากฏให้ได้ยินด้ฟังกันเป็นประจำวันถ้าหากว่าบุคคลอาศัยสติกับสามปัญญาโดยนิยัดังกล่าวแล้วมองปัญหาเหล่านั้นในแต่ละจุดของการเข้าไปเกี่ยวข้องระหว่างตนกับสิ่งเหล่านั้น พยายามใดที่จะต้องปฏิบัติในเงื่อนไขของสมมติสัจจะก็ปฏิบัติกันไปตามสมควรแก่หน้าที่แต่ในขณะเดียว ก, กันก็ไม่ตั้งความหวังว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้จะต้องเป็นอย่างโน้นอยู่ร่ำไปเพราะการไปตั้งความหวังขึ้นมาในชั้นนั้นถ้ามองให้ซึ้งลงไปอีกทีหนึ่งจะเห็นว่าจิตใจของบุคคล น, นั้นเป็นจิตใจที่อ่อนแอชอบกระเกณฑ์ชอบบังคับให้สิ่งอื่นให้บุคคลอื่นเป็นไปตามนาทของตน แต่ในขณะเดียวกันจิตใจของตนก็ไม่ไปตามอำนาจของตนคือไม่สามารถที่จะควบคุมใจให้ไม่ไปบังคับคนอื่นได้แล้วก็เที่ยวชี้นิ้วสั่งการไปบังคับไปมุ่งหวังไปคาดหมายให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ความว่าวุ่นสับสนในอารมณ์ต่างๆก็บังเกิดขึ้นในจุดนี้จึงเป็นเรื่องของสติสัมปชัญญะโดยตรงดังกล่าวแล้วคือสามารถระลึกรู้แล้วก็ตัดสินอารมณ์ด่งนั้นลงไปได้ปฏิบัติให้เหมาะให้ควรแก่กรณีนั้นๆ สามารถที่จะดับอารมณ์ที่เป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจลงไปได้และแม้ในชั้นอารมณ์ของสมถกรรมฐานที่จะต้องแก้ไขด้วยวิธีปฏิบัติส ง, งบใจคืออารมณ์ที่เป็นข้าศึกของใจระดับของนิวรณ์จะเห็นว่ามันก็คือการผูกมัดรัดรึงบุคคลเหล่านั้นเอาไว้อย่างที่ทรงอุปมาเห็นว่า อารมณ์คือการมาฉันได้แก่ใจที่สายไปในอารมณ์ที่น่าใคราน่าปรารถนาน่าพอใจนั้นก็มีลักษณะเหมือนการตกเป็นนี่ของบุคคลอื่นคือแสดงว่าจิตใจถูกผูกพันด้วยนี่สิเหล่านั้นต้องตามชดใช้กันด้วยไปพยาบาทก็เหมือนกับโรคที่เกิดขึ้นในกายก็แสดงว่าถูกตรึงไว้ด้วยโรคทีนมิทะก็เหมือนกับการตกเป็นตกอยู่ในคุกในตารางก็แสดงว่าถูกจาจองอยู่ในสถานที่นั้น อุตจากกุกุจักก็เหมือนกับการตกเป็นทาสของบุคคลอื่นก็สูญเสียความอิสระวิจิกิจฉาก็เหมือนกับการเดินหลงทางหรือในทางจิุระกันดารก็แสดงว่าติดอยู่ในที่นั้นเช่นเดียวกันเรื่องทั้งหมดจึงเป็นเรื่องของความติดความผูกพันถูกผูกมัดหรือบางครั้งก็ถูกตอกตรึงเอาไว้ในสถานที่นั้นๆนิพพานจึงมีลักษณะตรงกันข้าม นิพานไม่มีการผูกมัดไม่มีการร้อยรัดไม่มีการผูกตรึงไม่มีการจองจำไม่มีการจําขังโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือตัวจิตใจซึ่งเป็นผู้นำสิ่งต่างๆในชีวิตของบุคคลหลุดพ้นจากอานาจของสิ่งผูกมัดต่างๆไม่ว่าในชั้นหยาบหรือในชั้นละเอียดก็ตามในชั้นหยาบๆทั่วไปอย่างที่ท่านแสดงไว้ถึงบ่วงสามบ่วงว่าบ่วงบุตรบ่วงพัญญาสามีกับบ่วงทรัพย์ จึงว่าที่จริงก็เป็นบ่วงที่ผูกมัดในลักษณะรวมแต่มีความเหนียวแน่นที่จะจองจำบุคคลเหล่านั้นเอาไว้ตลอดไปไม่สามารถที่จะสลัดให้หลุดไปได้เพราะผูกมัดไว้ทั้งส่วนร่างกายและก็ส่วนจิตใจทางพระพุทธศาสนาก็สอนให้บุคคลหาประโยชน์ในจุดนี้คือในชั้นของการปฏิบัติหน้าที่นั่นก็เป็นอีกระดับหนึ่งแต่ในระดับของการปฏิบัติที่พัฒนาจิตใจแล้ว บุคคลจะไปมุ่งหวังให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นอยู่ร่ำไปก็เป็นไปไม่ได้ต้องรู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักละเสียในอารมณ์นั้นๆเมื่อทําได้ก็ก็ดับในอารมณ์นั้นๆได้ดังที่กล่าวมาแล้วว่าอย่างน้อยที่สุดก็ต้องถามตัวเองให้ได้ว่าวิตกกังวลไปแล้วมันแก้ปัญหาอะไรได้ถ้าในวิสัยที่แก้ได้ก็ชั้นหนึ่งก็วิตกกังวลไปแต่ว่าอีกชั้นหนึ่งนั้นไม่มีความจําเป็นอะไรเพราะว่า ความมีตกกังวล น, นั้นจะปิดกัน้นแสงแห่งปัญญาหรือกําลังแห่งสติให้อ่อนกําลังลงแทนที่จะตัดสินวินิจฉัยปัญหาได้แจ่มแจ้งชัดเจนสติปัญญาก็ถูกแบ่งแยกไปด้วยความวามิตกตกังวลกําลังของสติปัญญาก็อ่อนตัดสินปัญหาอะไรต่างๆลงไปไม่ได้ไม่ต้องดูอื่นไกลยกตัวอย่างเช่นว่าจะพูดจะแสดงอะไรถ้ากว่าจิตใจในขณะนั้นมีความมิตกกังวลปรากฏจู่สติปัญญาก็ถูกแบ่งแยก สูญเสียความเชื่อมั่นในตัวเองไม่สามารถจะจำแนกแสดงชี้แจงเรื่องราวต่างๆให้แจ่มแจ้งชัดเจนได้เพราะอะไรเพราะว่าในความมีธรรมนั้นอกุศลธรรมคอยเบียดเบียนคอยบั่นทอนกระแสะแห่งธรรมะอยู่เสมอในชั้นของการที่สามารถจะขยัดเครื่อง้อยรัดระดับที่สูงขึ้นไปก็ทรงแสดงหลักในสมถะกรรมฐานที่กำลังประพฤติปฏิบัติกันอยู่นี้ ซึ่งแน่นอนล้าเกินเมื่อบุคคลปฏิบัติไปสามารถสงบระ ง, งับได้เป็นความสงบระ ง, งับที่ยาวนานสูงขึ้นซึ่งบาลีท่านใช้คำว่าวิคัมพะนะปาหานคือละได้ด้วยการกดไว้ดวยการทับเอาไวด้ดวยการคมขีเอาไว้ซึ่งก็หมายความว่าอารมณ์เหล่านั้นหรือกิเลสเหล่านั้นยังมีอยู่แต่ก็มีกำลังอ่อนอ่อนกว่าปกติ คือไม่ถึงกับไปบีบบังคับกายกบวาจะให้วิปริตเปลี่ยนแปลงไปแต่ก็มีปฏิกิริยาต่อใจที่สร้างความสับสนว่าวุ่นให้บังเกิดขึ้นเมื่อบุคคลได้ปฏิบัติไปตามหลักที่ทรงแสดงไว้ในมหาสติปัฏฐานในสูตรคือแนวของสมถกรรมฐานกรรมฐานเป็นเครื่องสงบใจหรือทำใจให้สงบกำลังของกิเลสเหล่านั้นก็จะอ่อนลงไปโดยลาดับมาถึงจุดหนึ่ง ความเป็นอิสระทางใจก็เกิดขึ้นพอสมควรที่บุคคลสามารถอาศัยกําลังของสติสมัญญาที่สูงขึ้นนั่นเองส่วนหนึ่งก็ปิดการกระแสของอารมณ์ที่เข้ามาทางตาหูจมูกตินกายและใจของตนเอาไว้คือระลึกรู้ได้ทันเช่นว่าอารมณ์ที่ผ่านมานั้นเราจะเห็นได้ว่าทั้งทางบวกและทางลบคือทั้งที่เป็นเชื้อของกุศลและอกุศลก็ผ่านมาทางเดียวกัน แต่ถ้าหากวาสติเป็นไปช้าหรือปัญญามีกำลังอ่อนอารมณ์เหล่านั้นก็ผ่านเข้ามาแล้วทำอันตรายแก่จิตใจบรรทอนสุขภาพจิตใจของบุคคลได้แต่ถ้าสติปัญญาที่เป็นไปแก่กล้ามากพอก็ปิดกั้นไว้ตั้งแต่ตอนต้นทำนองเดียวกับการอยู่ครอบครองเรือนของบุคคลทั้งหลายในสถานการณ์ปัจจุบันอารมณ์ทั้งหลายนั้นเหมือนกับแขกที่จรเข้ามาคนที่มาหาที่บ้านนั้นไม่ใช่ว่า จะเปิดประตูรับเขาได้ทุกคนไปสติปัญญาจะต้องระลึกรู้ทันว่าคนนั้นเป็นใครมาจากไหนเกี่ยวข้องกับเราอย่างไรมาโดยความเป็นมิตรหรือมาโดยความเป็นศจตุซึ่งสติสัมปชัญญะต้องเกิดขึ้นเร็วและตัดสินได้เร็วถ้ า, าว่าเกิดขึ้นช้าตัดสินช้าเกิดความลังเลเกิดความเครือบแคลงจะไปเปิดประตูแล้วยังไม่รู้ว่าใครเป็นใครแล้วก็ปล่อยเปิดประตูให้เข้ามาในที่สุดนึกออกว่าเป็นโจรตอนนั้นก็สายไปแนละ้ว เรื่องของอารมณ์ที่ผ่านมาทาง จ, จิตใจก็มีลักษณะเช่นเดียวกันการปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐานนั้นดังที่เคยกล่าวมาในตอนต้นว่าเรื่องสติกสัมปชัญญะที่ทรงใช้ธรรมะเพียงสามประการคือสติอาตาปีความเพียรที่เผากิเลสให้ร้อนสติมาความมีสติและสัมปช a n ะหรือปัญญาหรือสัมปชัญญะดังกล่าวเป็นความรู้ทั่วพร้อมคือรู้ทันต่ออารมณ์ที่บังเกิดขึ้นและรู้ทันในขณะนั้นๆ ไม่ใช่เป็นความรู้ที่สายเกินแก้ก็เป็นไปในทํานองเดียวกันกับคนที่ขับรถไปบนถนนหน้นทางหรือแม้แต่จะเดินไปในสถานที่ต่างๆถ้าสติสมัมปชัญญะของบุคคลเกิดขึ้นได้และก็เป็นไปในเวลารวดเร็วบุคคลก็สามารถที่จะตัดสินแก้ไขปัญหาต่างๆที่บังเกิดขึ้นได้ในขณะนั้นๆไม่ใช่ว่าปล่อยให้รถตกถนนไปก่อนจึงนึกออกว่ารถตกถนนแล้ว นี้แสดงให้เห็นถึงอะไรแสดงให้เห็นถึงสติสัมปชัญญะที่เกิดขึ้นช้าแก้ปัญหาไม่ทันการการฝึกปรือตามหลักของหมหาสติปัฏฐานจึงเพิ่มพูนในด้านของสติสัมปชัญญะจนถึงระดับหนึ่งกำลังของความเพียรพยายามที่เสริมสร้างสติสัมปชัญญะก็จะแก่กละดขึ้นก็กลายเป็นระดับของสมาธิที่จะก่อให้เกิดเป็นความสงบระงับดับกิเลสไป ตลอดเท่าที่กำลังแห่งสมาธินั้นยังไม่เสื่อมซึ่งถ้ า, าก็ามีการกระทาโดยติดต่อการดับเหล่านั้นก็จะดับถาวรไปเป็นหลายๆปีหรือบางทีเก้าปี20สิปีส0สิปีจนถึงกับหมดสิ้นชีวิตไปด้วยมีคุณธรรมคือฌานเป็นหลักของจิตใจเป็นตัวกำหนดคติกำหนดพบของบุคคลเหล่านั้นลงตัวลงไปว่า จะต้องไปบังเกิดในภพมนมโย์ดังนั้นนิพพานในสองชั้นนี้จะเห็นได้ว่าเป็นข้อปฏิบัติที่ในชั้นแรกก็สติสัมปชัญญะไม่ถึงกับมากมายอะไรนะักก็สามารถที่จะระลึกรู้ทันอารมณ์ต่างๆที่บังเกิดขึ้นได้ในชั้นที่สองก็มีขั้นตอนกรรมวิธีหลักการและวิธีการที่จะเสริมสร้างสติสัมปชัญญะของบุคคลให้สูงขึ้นเรื่อยๆและหลักของกรรมฐานต่างๆที่ทรงจาแนกแสดงไว้ โดยอเนกกระปริยายแต่ว่าจุดหมายจริงๆคือจุดหมายสุดท้ายจริงๆนั้นจะต้องเข้าถึงสภาพที่เรียกว่าเป็นสมุเดเฉดทวีมุตดคือหลุดพ้นด้วยการตัดขาดไปเลยได้แก่ถอนรากถอนโคนของกิเลสออกไปซึ่งปริยายในการแสดงธรรมานั้นก็สุดแต่ว่าจะพูดในกรณีไหนบางครั้งทรงใช้คําว่า หมสิ้นอาสวะบางครั้งสรงใช้คําว่าทําลายกองวิชาบางใช้บางครั้งใช้คําว่าถอนตานหาพร้อมทั้งมูลรากบางชา้บางครั้งใช้คําว่าละบุญและบาปได้เป็นต้นซึ่งทั้งหมดนั้นก็เป็นไวยพจน์ของนิพพานเช่นเดียวกันดังที่เคยกล่าวมาโดยพิศดารในตอนที่ว่าด้วยอุปสมานุสติเรื่องของนิพพานจึงเป็น ธรรมะที่บุคคลสามารถพิสูจน์ได้สัมผัสได้ว่าเป็นคุณธรรมมีเชื้ออยู่ภายในใจของบุคคลซึ่งต้องอาศัยการอบรมบ่มอินทรีย์ต่างๆให้แก่กล้ามากยิ่งขึ้นแล้วปริมาณของความซส ง, งบความยืกเย็นความปราศจากเวรปราศจากทุกข์ภัยต่างๆก็จะสูงขึ้นภายในชีวิตของบุคคลเหล่านั้นพระบรมนาจารย์ในสมัยก่อน ท่านจึงสรุปโดยง่ายๆวันนี้ผ่านนั้นได้แก่การดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์ได้ปัญหาในชีวิตของบุคคลเรานั้นถึงแม้ว่าจิตใจของบุคคลจะมีความแตกต่างกันจนไม่อาจจะกำหนดได้ก็ตามแต่โดยขั้นพื้นฐานแล้วสิ่งที่บุคคลต้องการร่วมกันคือสิ่งที่เกื้อกูลแก่ตนเอง การกําหนดการตัดสินว่าอะไรจะเกื้อกูลแก่ตนเองหรือไม่ท่านก็กําหนดการที่ความสุขซึ่งเกิดขึ้นมาจากผลการประพฤติปฏิบัติและความสุขนั้นตามพระพุทธศาสนาก็แสดงไว้ในชั้นนั้นๆจนถึงบรมสุขคือพระนิพพานตามนิย่าแห่งพระพุทธภาสิทธิที่ทรงแสดงว่านิบานังปรมังสุ ข, ขังนิพพานเป็นบรมสุข แต่กว่าจะถึงชั้นของบรมสุขมันก็มีสุขธรรมดาสามัญขึ้นไปเรื่อยๆสุขที่เกิดขึ้นจากการมีทรัพย์ใช้จ่ายทรัพย์ไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินใครการงานที่ปราศจากโทษสุขที่เกิดขึ้นจากการอยู่ร่วมกันอย่างมีมิมตรไมตรีสุขที่เกิดขึ้นจากสามัคคีสุขที่เกิดขึ้นจากการเอาชนะใจตนเองสุขที่เกิดขึ้นจากการสงบระ ง, งับดับนิวรณ์เป็นต้นมันก็มีกันไปเป็นชั้นๆมีความละเอียดมีความประณีตขึ้นไปโดยลาดับ แต่ว่าแต่ละจุดของความสุขนั้นบุคคลจะต้องสร้างเหตุเพื่อเกิดผลเป็นความสุขขึ้นมาและตัวเหตุนั้นเราเรียกว่าอัฏฐะคือประโยชน์ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสดแสดงเอาไว้ได้แก่ธรรมะจึงเมื่อกล่าวโดยสรุปอีกทีหนึ่งก็คือเรื่องที่ควรเว้นกับเรื่องที่ควรประพฤติเรื่องที่ควรเว้นกับควรประพฤตินั้นก็เริ่มมาจากศีลเป็นต้นไปแล้วฉะนนว่าการฆ่าสัตว์ต้องเว้น ความเมตตาต้องประพฤติอธินาทานต้องเว้นสัมมาชีพต้องประพฤติหรือการเมตสุเฉาจานต้องเว้นการยินดีในพัญญาของตนเองความจงรักภักดีในสามีของตนเป็นธรรมะที่ต้องประพฤติคำพูดเท็จต้องเว้นคำพูดคำสัตว์ต้องประพฤติก็มีเป็นคู่ๆูไปอย่างนี้สุรา ห, หรือสิ่งเสพติดทั้งหลายต้องเว้นสติเป็นข้อที่ควรประพฤติเป็นต้น นี่ก็มีกันไปคู่ๆเป็นลำดับดังนี้พอมาถึงจุดเดิมมันก็ตัดขาดได้ในแต่ละจุดของเรื่องซึ่งก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นไปในเวลารวดเร็วฉับพลันทันทีเนื่องจากเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติว่าผลทั้งหลายนั้นจะต้องเกิดขึ้นสัมพันธ์กับเหตุที่บุคคลประกอบกระทำลงไปถ้าเหตุน้อยผมก็ต้องน้อยถ้าเหตุมากผลก็ต้องมากเหตุสมบูรณ์ผลก็สมบูรณ์ ดังนั้นการปฏิบัติในมหาสติปฐานในสูตรจึงเดินไปเข้าถึงขั้นของเหตุสมบูรณ์เพื่อบุคคลสามารถสัมผัสผลที่สมบูรณ์แต่ ก, กว่าจะถึงเส้นทางที่สมบูรณ์คือเป้าหมายที่สมบูรณ์บุคคลก็สัมผัสผลในระดับนั้นๆเหมือนกับการเดินทางไกลคือพบเห็นถิวทัศดระหว่ังทางเห็นของแปลกๆใหม่ๆขึ้นมาโดยลาดับกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางที่บุคคลต้องการจะไปดังนั้นผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ ตามหลักหมาสติปัฏฐานพระพุทธเจ้าจึงทรงรับรองไว้ในตอนปลายของพระสูตรคือตอนสุดท้ายของพระสูตรแต่ว่ารับรองผลอย่างมีเงื่อนไขไม่ใช่ว่าผลจะเกิดขึ้นลอยเอ ย, อยทรงสแสดงว่าถ้าบุคคลกระทำให้สมบูรณ์ในสติปัฏฐานทั้งสี่ประการนี้จะบรรลุมรรคผลในเจ็ดวันถ้าเกินไปจากนั้นก็เจดือน เปีและต้องไม่เกินเจดชาติทําไมจึงช่วงระยะกาลแล้วก็ห่างกันอย่างนั้นบุคคลจะต้องมองอีกมุมหนึ่งคือบารมีธรรมทั้งหลายที่บุคคลสร้างขึ้นมานั้นแล้วมีส่วนที่แตกต่างกันคนที่มีบารมีมากเหมือนกับคนที่มีเงินมีมรดกมากๆคนเหล่านี้ก็ตั้งตัวได้เร็วในวัยที่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ตั้งตัวได้เพราะต้นทุนเขามีอยู่มาก แต่บางคนมีบา ร, รมีน้อยก็เหมือนคนที่เกิดมาฐานะยากจนต้องเพิ่มพูนความหมั่นขยันขึ้นในปัจจุบันเป็นอย่างสูงโอกาสหนึ่งจะตั้งตัวได้แต่อาจจะตั้งตัวได้ในวัยกลางคนหรือเลยกลางคนไปแล้วการปฏิบัติธรรมะในทางศาสนาก็มีลักษณะเช่นเดียวกันมันขึ้นอยู่กับอำนาจวาสนาบา ร, รมีของบุคคลซึ่งแตกต่างกันออกไป ไม่ว่าในยุคสมัยใดก็ตามคนระดับที่เป็นพระหันในยุคของพระพุทธเจ้าที่ฟังมหาสติปัฏฐานโดยตรงจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุท ธ, ทธเจ้าเองก็สัมผัสผลแตกต่างกันโดยการเวลาประงองฟังเมื่อจบพระธรรมเทศนาที่ส่งแสดงในคราวนั้นก็บรรลุมรรคผลไปได้นี่แสดงให้เห็นถึงอะไรแสดงหเห็นถึงบารมีภายในจิตใ จ, จของท่านมีมากกว่า ก็พร้อมที่จะลงทุนดำเนินกิจการสร้างหลักสร้างฐานก็ตัวเองได้แต่ว่าคนบางคนนั้นต้องฟังธรรมะที่ทรงแสดงและนำไปประพฤติปฏิบัติมีปัญหาอะไรก็กรากบมากราบมากราบทูลถามต่อสงไข่แสดงให้เกิดความเข้าใจก็ปฏิบัติต่อไปมีปัญหาก็แก้กันไปอาศัยการเวลาแต่ต้องมีการกระทำที่สืบต่อลักษณะของการกระทาที่สืบ สืบต่อ น, นั้นทรงใช้คําว่าสาตัดจักกิริยตาคือมีความเพียรที่สืบเนื่องกันไปไม่ใช่ ว, วิ่งวิ่งหยุดหุดอย่างต้องยกตัวอย่างสัตว์บางชนิดแกวิ่งไปก็หยุดไปวิ่งไปแกหยุดไปวิ่งไปแกหยุดไปการปฏิบัติในลักษณะนี้ก็มีลักษณะที่เรียกว่าขยักขย่อนอยู่เรื่อยๆไม่ดําเนินไปตลอดสายบางครั้งบางคราวจิตตั้งมั่นส ง, งบดีในจุดหนึ่งทิ้งไปเจ็ดวัน พอนั่งใหม่บันก็ต้องเริ่มกันใหม่อีกทีหนึ่งกว่าจะถึงความสงบในจุดนั้นทีนี้กว่าจะเดินตั้งจุดหมายปลายทางมันก็ช้าทำนองเดียวกับอะไรทำนองเดียวกับคนที่พายเรือทวนกระแสน้าไปพายไปได้ระยะหนึ่งก็วางพายนั่งกระแสน้าก็พัดเรือลอยกลับมานึกหมันขยันขึ้นหมาพายก็พายต่อไปใหม่มันก็ขึ้นกว่าจะถึงจุดเดิมซึ่งเราปล่อยเรือลงไปนั่น รอยไม่พายลงไปนั้นก็เสียเวลาไปอีกมากการปฏิบัติธรรมะจึงทรงแสดงในส่วนที่เหตุคือทรงรับรองเหตุไปด้วยเพราะเหตุจะต้องดําเนินไปอย่างนี้อย่างนี้จึงทรงรับรองผลแต่ถ้าหากว่าในส่วนเหตุบกพร่องผลก็ต้องบกพร่องตามไปถ้าผลเกิดบกพร่องจะไปตําหนิตีเตียนใครก็ต้องตําหนิตีเตียนตัวเองเพราะไม่ไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ทรงสแสดงเอาไว้เรื่องของมหาสติปัฐานในสูตร เป็นการแสดงธรรมะในลักษณะชี้ผลก่อนคือยกเอาสติประฐานขึ้นมาตั้งแล้วบอกเป็นข้อปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนั้นในที่สุดก็ส่งชี้ผลโดยอนเนกกระริยายตั้งแต่ระงับดับความโศกความรำไรรำพันความทุกข์ความเสียใจขจัดอภิชาโทมนัตออกไปจา ก, ก จ, จิตใจก็ให้เกิดเป็นความสงบเป็นความรู้ยิ่งเพื่อความรู้เพื่อความดับมาโดยลำดับ ซึ่งการแสดงธรรมะในลักษณะนี้ก็เหมือนกับคนที่โฆษณาสินค้ายกสินค้าของตนขึ้นเสนออธิบายผลประโยชน์ที่จะได้จากสินค้าโดยอเนกปวิญายเป็นการกระตุ้นให้คนเกิดความอยากที่จะซื้อหาสินค้าเหล่านั้นมาเป็นของของตนเช่นใดการแสดงธรรมะในแนวมหาสศิประฐานก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเช่นนั้นเป็นการปลุกราาจิตใจของบุคคลให้เกิดความกระตือรือร้นเกิดความ อ, อาถรรพ์เกิดความเชื่อมัน่น ที่จะประพฤติดำเนินไปเพราะมีเป้าหมายคือความหวังแต่ถ้าหากว่าวาสนาบา ร, รมีไม่น้อยจนเกินไปแล้วก็ต้องสัมผัสผลตามที่ทรงแสดงเอาไว้มหาสติปัฏฐานสูตรจึงเป็นประสูตรที่ได้รับการนิยมยกย่องแล้วก็ถือประพฤติธปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะเป็นการแสดงสรุปธรรมะในทางพระพุทธศาสนาทั้งหมดไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตรนี้ ผู้ปฏิบัติกระทำให้สมบูรณ์ในพระสูตรนี้จึงชื่อว่ากระทำให้สมบูรณ์ในสัตตุศาสตร์อันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศแสดงไว้ดีแล้วต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป